Mm hmm. ของคนเราถ้าเปรียบเหมือนกับการเดินทางก็เป็นการเดินขึ้นเขาบางคนก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เดินไปถึงยอดเพราะว่าอายุสั้นซะก่อนแต่คนที่มีอายุยืนยาวนี่ก็เรียกว่าได้ผ่านทั้งการเดินขึ้นเขาแล้วก็ ลงเขาหลายคนในที่นี้อาจจะอยู่ในช่วงการขึ้นเขานะหรือในช่วงขาขึ้นคื อ, อยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวแต่หลายคนก็กําลังอยู่ในช่วงขาลงเพราะว่าอายุอานามก็มากขึ้นช่วงขาขึ้นนี่มันขึ้นยังไงก็ต้องถึงยอด และหลังจากนั้นก็ต้องลงเราก็ลองดูชีตของเราว่าตอนนี้ชีตของเราอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือว่าถึงยอดแล้วหรือว่ากลังอยู่ในช่วงขาลงส่วนใหญ่ช่วงที่เรียกว่าเจริญเต็มที่ก็เป็นช่วงที่อยู่ในวัยกลางคนเพราะว่าได้ประสบความสำเร็จฐานะการงานก็มั่นคง หรือว่ามียศมีตําแหน่งสูงทรัพย์สินเงินทองก็มีมากหรือว่าอาจจะรู้ว่ามีมากกว่ช่วงใดๆไม่ว่าแต่เป็นช่วงถ้าเทียบกับช่วงวัยเด็กหรือว่าวัยชารากําลังวังชาก็เรียกว่าอยู่ในช่วงที่อเต็มที่แล้วนะหลังจากนั้นก็ลง แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความสุขมันไม่ได้หมายความว่าช่วงที่อยู่ในวัยกลางคนซึ่งมีความพังพร้อมในเรื่องความสำเร็จชื่อเสียงกิิยศเงินทองมันก็ไม่ได้แปล ว, ว่าจะมีความสุขตามไปด้วยมีคนเข้าศึกษา สอบถามความรู้สึกของคนทั่วโลกประมาณเจ็ดสิบกว่าประเทศแล้วก็ศึกษายังละเอียดนะครอบคลุมคนทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่นวัยหนุ่มสาวกลางคนจนถึงวัยชราเขาพบว่ามันให้ข้อสรุปที่ก็แปลกดีนะเขาบอกว่า วัยที่มีความทุกข์ความกังวลมากที่สุดแล้วก็มีความสุขความแช่มชื่นเบิกบานน้อยที่สุดเนี่ยเราทราบไหมไวัยไหนคือวัยกลางคนอันนี้ก็เป็นข้อสรุปที่คล้ายคลึงกันเรียกว่าทุกประเทศเลยทั่วโลกเจ็สิประเทศ คนที่อยู่ในวัยกลางคนนี่ถือว่ามีความทุกข์ความโกลนมากที่สุดแล้วก็มีความสุขน้อยที่สุดซึ่งมันก็น่าแปลกเพราะว่าเป็นวัยที่เร็วประสบความสำเร็จนะได้เห็นความสำเร็จแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวความสำเร็จทั้งเรื่องชื่อเสียงการงานอำนาจฐานะรวมทั้ง เงินทองและก็ก็พบต่อไปว่าวัยที่มีความสุขมากที่สุดมีความทุกข์น้อยที่สุดคือวัยอะไรทราบมไหมไวัยชราวัยที่เรามองว่าเป็นช่วงขาลงแล้วน่าแปลกนะเที่แบบคนอายุ18กับคนอายุ80ก็พบว่าคนอายุ80โดยเฉลยแล้วมีความสุขมากกว่าคนอายุ18 คนอายุ8นี่คะแนนความสุข7คนอายุ18คะแนนความสุข 6.8 อายุ80นี่มากกว่าเพราจะเห็นได้ว่าไอ้ความสุขของคนเนี่ยมันจะมันจะสวนทางกับชีวิตขาขึ้นแล้วก็ขาลงในช่วงที่ชีวิตขาขึ้นเนี่ยความสุขกลับน้อยพอชีวิตขาลงความสุขกลับมากขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยความสุขของคนเรา ตอนเที่ยวตั้งแต่88ถึง80มันจะเป็นรูป ก, ก็คล้ายตัว U หรือตัว V ก็คือว่าอายุ88นี่ก็มีความสุขมากเสร็จแล้วก็ค่อยดิ่งลงมาดิ่งลงมาดิ่งลงมาจนต่ําสุดเข้าระบุเลยว่าเป็นปีไหนคือตอนอายุ46แ ล, แล้วหลังจากนั้นแล้วก็จะค่อยขึ้นค่อยขึ้นค่อยขึ้นจนกระทั่งไปสูงเอาตอนอายุ80อันนี้ก็เป็นงานศึกษาค้นคว้าที่ ก็สอดคล้องกันในหลายหลายชิ้นที่มีการศึกษาแลเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำพูดขึ้นว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุ46ก็คือว่ามันจะจะแย่สุดจะทุกข์สุดๆเนี่ย4แล้หลังนี้ก็ค่อยขึ้นๆมาเรื่อยๆน่นมันก็เป็นการศึกษาที่น่าแปลกนะเพราะว่าให้ผลตรงกันข้ามกับความเข้าใจของคนทั่วไป เพราะคนเราคิดว่าในช่วงชีวิตขาขึ้นนะน่าจะมีความสุขแล้วช่วงชีวิตขาลงก็น่าจะมีความทุกข์นะแต่มันสวนทางกันในขณะที่เป็นหนุนเป็นสาวกําลังวังชามีมากมายนะสามารถจะเที่ยวเล่นได้ตามปรารถนาปราะว่าความสุขนี่มันอยู่ในช่วงขาลงมันไปสูงตอนสิบแปแล้วค่อยลงมาเรื่อยๆและยิ่งมีอํานาจวาสนามีความพรั่งพร้อม ในเรื่องของทรักอำนาจฐานะตำแหน่งคือวัยกลางคนสี่สิบห้าสิบนี่ปรากฏว่าเป็นช่วงที่ความสุขน้อยที่สุดความทุกข์ความกังวลมากที่สุดเขาก็ศึกษาว่าทาำไมถึงเป็นเช่นนั้นแต่ก่อนที่จะไปถึงตนนั้นเนี่ยมันก็ชี้เห็นเลยว่าในความสุขเนี่ยของคนเรามไม่ได้อยู่ที่ฐานะตาแหน่งเงินทอง เพราะถ้าความสุขมันขึ้นอยู่กับเงินทองฐานะตำแหน่งคนวัยกลางคนน่าจะมีความสุขมากที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงทีคนะเป็นช่วงที่ประสบความสําเร็จมากกําลังวังชาก็ยังไม่ได้ย่ําแย่อะไรแต่ปรากฏว่าคนที่มีความสุขมากที่สุดก็คือคนที่เงินทองก็เริ่มน้อยลงกําลังวังชาก็ถดถอยอำ น, นาจวาสนาก็ ค่อยๆเลือนหายเช่นคนวัยเกษียณนี่ก็ไม่มีลูกน้องมาห้อมล้อมเหมือนตอนอายุ50คนที่กเกษียณแล้วนี่ก็อำนาจวาสนาก็น้อยลงนะกำลังวังชางเงินทองรวมทั้งฐานะตำแหน่งก็น้อยนะกลายเป็นลักษณ ะ, ะเต็มขั้นกันเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่ทําไมถึงมีความสุขมากขึ้นอันนี้มาแสดงว่าความสุขมันอยู่ที่ใจ มันไม่ได้อยู่ที่สังขารร่างกายไม่ได้ที่กําลังวังชาไม่ได้ที่เงินทองทรัพย์สมบัติมันอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่ทัศนคติซึ่งคนที่มีอายุมากเนี่ยได้เปรียบกว่าคนในวัยอื่นเพราะว่าผ่านประสบการณ์มายาวนานก็เพราะว่าทรเหตุที่คนมีอายุมากเนี่ยมีความสุขมากกว่าคนในวัยใดแม้กระทั่งวัยรุ่น ก็พอมีวุฒิภาวะมีความเข้าใจในชีวิตแล้วก็สามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวได้คือเวลาพบกับความไม่สมหวังนะก็ทำใจได้พอรู้ว่านะชีวิตเรามันไม่สามารถที่จะได้สิ่งที่ต้องการตลอดเวลาซึ่งอาจจะต่างจากคนที่ยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวนิดพอ ถ้าไม่สมหวังนี่ก็จะกลาดเกลียวเศร้าโศกพวกที่ขาดตัวตายเพราะอกหักหรือว่าสอบเข้าไม่ได้ก็คือพวกที่เป็นวัยรุ่นนั่นแหละพวกนี้เรียกว่าไฟแรงแต่ไฟแรงก็มีความคาดหวังสูงแล้วก็ไม่เคยสามารถจะยอมรับความผิดหวังอะไรได้เวลาโกรธก็โกรธเต็มที่เวลาดีใจก็ดีใจเต็มที่ เวลาเสียใจก็เสียใจเต็มที่ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวได้แต่ว่าผู้เท่านี้ก็มีความสามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ของตัวเจอความไม่สมหวังก็ทำใจได้เพราะอะไรเพราะร่วมมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาของชีวิตหรือว่าเวลามีคนมาพูดไม่ดีทาไม่ดีกับตัวก็ไม่ได้โกรธ อาจจะสงสารคนเหล่านั้นนะไม่ได้ชุนเฉียวอย่างวัยรุ่นหรือว่าคนที่มีอำน า, า, านะจวาสนานแในยิ่งมีอำนาจวาสนามากเนี่ยนะจะใครขัด อ, อกขัดใจไม่ได้จะโกรธแต่บางคนที่อยู่ในช่วงขาลงแล้วก็ทําใจได้นะอันนี้ก็ทําให้เป็นเหตุผลในที่ทําให้คนที่อยู่ในใบชะลาเขามีความสุขมากทั้งทังที่ ชีวิตในช่วงขาลงแล้วก็เจอสิ่งที่ไม่สมหวังอีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขายอมรับข้อจํากัดของตัวเองว่าเออก็ทําได้เท่านี้แหละนะทําได้เท่านี้ก็ทําให้สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้มีความสุขบางทีสังขารมันก็ไม่ค่อยอํานวยแล้วนะก็ยอมรับได้ว่าเออมันก็เป็นเช่นนี้เองตาฟ้าฟางก็ยอมรับได้ว่า มันเป็นเช่นนั้นเองซึ่งถ้าไอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนหนุ่มสาววัยรุ่นนี่ก็จะคืดทัดขัดใจมากเพราะเขาไม่เคยผ่านประสบการณ์ที่จะเจอความไม่สมหวังอีกสาเหตุหนึ่งที่เขาบอกว่าคนวัยฉลาเนี่ยเขามีความสุขมากคนในวัยอื่นก็เพราะว่าเขารู้ว่าชีวิตเขาเหลือน้อยแล้วเขาก็เดินทางมาม า, มากแล้ว ระหว่างที่เดินทำมากก็ทําให้เกิดประสบการณ์เยอะแต่ขณะเดียวกันเมื่อมองไปข้างหน้าเวลาก็เหลือ น, น้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่หมัวหาความสุขจากอนาคตแต่ว่ายามที่จะหาความสุขจากปัจจุบันจะไม่หมัวเสียเวลากับให้กับความเศร้าความเสียใจความโกรธสามารถที่จะแสวงหาความสุขจากปัจจุบันไดู้ก็คืออยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้น ในขณะที่คนที่อยู่ในช่วงขาขึ้นหรือหนุ่มสาวก็จะรอความสุขจากอนาคตว่าจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมีมีรถเบนซ์มีบ้านของตัวเองหรือว่ามีครอบครัวหรือว่ามีเงินสะสมสิบล้านก่อนอายุสามสิบรู้แล้วแต่ไปรอความสุขข้างหน้าทั้งนั้นคนที่ไปรอความสุขข้างหน้านเนี่ยจะ พบว่าหาความสุขในปัจจุบันไม่ได้เลยจะมีแต่ความกังวลกังวลว่าจะได้อย่างที่ต้องการไหมถ้าหน้าที่ความสุขในปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่ให้เก็บเกี่ยวตลอดเวลาซึ่งตรงนี้แหละคนที่อยู่ในช่วงขา ล, ลงคนชลานี่เขาก็จะฉลาดตรงนี้รู้จักเก็บเกี่ยวความสุขแม้ว่าสังขารกำลังวังชาจะน้อยแต่ก็สามารถจะมีความสุข นะกับสิ่งที่มีอยู่ได้ผู้ง่ายคือว่าพอใจสิ่งที่มีแล้วก็ยินดีสิ่งที่ได้ก็คือสันโดรนั่นเองรวมทั้งเรื่องจากเขาล่วงเวลาเขาเหลือน้อยและเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้อะไรคือสิ่งที่สําคัญอะไรสําคัญก็ทําก่อนเลยอะไรที่ไม่สําคัญฉันไม่เอาและฉันไม่มาเสียเวลาด้วยซึ่งตรงนี้มันทําให้บางคนพบความสุขได้ง่ายเช่น เมื่อวเวลาเหลือน้อยแล้วะสิ่งที่สำคัญคืออะไรก็เรื่องของบุญกุศลเรื่องของความดีนะเรื่องของมิตรภาพคนที่ยังอยู่ในช่วงขาขึ้นนี่เขาจะจัดลําดับความสําคัญไม่ถูกเพราะเขาคิดว่าเขายังมีเวลาเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันเที่ยวเล่นไปก่อนหรือว่าฉันก็ตั้งหน้าตั้งตาทามาหาหาเงิน ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวเรื่องมิตรภาพเรื่องแรงต่างก็มองข้ามเรื่องปฏิบัติธรรมทำบุญทำกุศลก็เอาไว้ก่อนไอเไ้เข้าวัดเข้าวะเอาไว้วันหลังนะชอนคอมเมกมันนี่ก่อนเอน่พราะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไอ้สิ่งสําคัญเอาไว้ทีหลังไอ้สิ่งไม่สําคัญดังกับทําก่อนก็เลยหาความสุขไม่ได้คนที่เขารู้ว่าวันเวลาเหลือน้อยแล้วเนี่ยเขาจะเล่งทําสิ่งที่สําคัญ ซึ่งก็ทําให้เขาเกิดความอิ่มเอมในชีวิตแล้วหลายคนก็พบว่าโอ้ใหการที่ได้กลับมาอยู่กับเพื่อนฝูงนี่มันก็มีความสุขนะไม่ต้องไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็ได้ได้พบกับเพื่อนฝูงได้อยู่กับครอบครัวก็มีความสุขนะหรือว่าได้กลับมาเอ่าได้หันมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่ามันสามารถจะช่วยให้มีความสุขในปัจจุบันขณะ แล้วก็ช่วยให้มีความสุขไปจนกระทั่ทงถึงวันที่สิ้นลมในแขาที่เงินทองนี่มีมากเท่าไหร่มันก็ซื้อความสุขไม่ได้เวลาเจ็บป่วยบางทีเงินทองก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าไอ้โลกที่ที่เป็นนี่มันมันไม่ใช่ว่าจะหมอจะรักษาให้หายได้หรือว่าจะใช้ยาบรรเทาได้แต่ว่าคนที่เขาได้มีความภาคภูมิใจในชีวิต แล้วได้ทำความดีมาก็จะรู้สึกเกิดปิติภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมาก็ทำให้แม่จะเจ็บป่วยก็ยังมีความสุขได้หรือว่าเวลาจะตายก็นึกถึงความดีที่ได้ทำนะก็ทำให้ใจสงบมั่นใจว่าได้ไปสู่สุคติแน่เพราะว่าได้ทำความดีเอาไว้ได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ อันนี้ก็เพราะนั้นเนี่ยอ่ามันก็เป็นง่าคิดให้กับพวกเราว่าความสุขที่แท้เนี่ยมันอยู่ที่ใจอยู่ที่มีความเข้าใจในชีวิตมากน้อยแค่ไหนนะถ้ามีความเข้าใจในชีวิตเราก็จะยอมรับให้ความไม่สมหวังเราจะยอมรับความแปรเปลี่ยนเราจะยอมรับความชะลาเราจะยอมรับไอช่วงชีวิตขาลงได้มากขึ้นอัน อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นแนวคิดที่ดีนะโดยเพราะคนที่อยู่ในวัยชราหรือในช่วงขาลงถ้าหากว่าเรายังไม่มีความสุขอันนี้แสดงว่าเราคงจะวางใจผิดพลาดสักอย่างนะเพราะว่าคนอื่นเขาส่วนใหญ่เขามีความสุขกันมากขึ้นทั้งนั้นนะซึ่งก็การศึกษานี่มันก็เลยแปลว่าคนชราทุกคนก็จะมีความสุขเพรอย่างที่เราเห็นหลายคนก็ไม่มีความสุขนะ เพราะว่ามีความกังวลเรื่องลูกเรื่องหลานมีความกังวลเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือว่าไม่มีความสุขเพราะงานที่เคยทํามันไม่ได้ทําเหมือนก่อนอยู่นิ่งไม่เป็นนะทํำใจไม่ได้อันนี้ก็มีอยู่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จักวางใจนั่นเองในแง่นี้บางที คนหนุ่มคนสาวนะที่เขาอาจจะมีประสบการณ์น้อยนะแต่ว่าเขาได้ไข้ควรชีวิตแล้วก็มีการฝึกฝนพัฒนาตนมาตั้งแต่แรกๆเขาก็อาจจะมีความสุขมากกว่าก็ได้สถิติมันก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้เป็นหลักประกันว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะให้กําลังใจนะคนที่มีอายุคนอยู่ในวัยชราว่าเออ ให้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยหรือชีวิตอันยาวนานของเราเนี่ยมันได้ทําให้เรามีขุมทรัพย์หรือว่าสมบัติที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตให้มีความสุขได้ดูที่ว่าเราจะใช้มันหรือเปล่าแล้วคนส่วนใหญ่ก็รู้จักใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์ที่เป็นเรื่องความ สูญเสียความพัดพรา่าความไม่สมหวังไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ทําให้เราได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตเพราะว่าเมื่อเราได้เจอบ่อยๆเจอบ่อยๆแล้วก็ยอมรับ ว, ว่าเออมันเป็นธรรมดาของชีวิตที่ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปดังใจปรารถนาเราได้ไอ้ความยากลาบากที่ผ่านมาก็ทําให้เราเกิดภูมิกุ้มกันนะในเรื่องความทุกข์ อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อหลายวันก่อนเรื่องของญาติยิ้มอายุ80บ้านไปนอนคนเดียวบนเขาที่จังหวัดพิษณุโลกต่อเมื่อวันพระก็ลงมาจำศีลที่วัดเดินลงมา7กิโลได้นะอายุก็80แล้วเดินก็ย่มก็แย่งฝนตกก็ไม่ไม่หยุดไม่ท้อพอพ้นวันศีลก็ กลับบ้านนะเดินขึ้นเขาอยู่คนเดียวไม่มีความกลัวอะไรเลยขนเข้าสารขึ้นไปบางทีก็มีคนช่วยขนให้นะแต่ถ้าเกิดว่าทางมันเฉิดาเป็นโครนเนี่ยรถมันก็ขึ้นไม่ไหวก็ยายยิ้มก็ต้องเดินขึ้นคนเดียวแกก็มีความสุขมากยิ้มตลอดเวลาคําว่ายิ้มชื่อของแกนี่คงอาจจะมาจากรอยยิ้มที่มีอยู่ตลอดเวลา คนก็ถามแกว่าเนี่ยให้เดินมาเจ็ดแปดกิโลเนี่ยไม่เหนื่อยเรยแกก็บอกว่ามันเคยเสร็จแล้วนะคนก็ถามว่ากินข้าวนี่บางวันลงมาไม่ได้ข้าวหมดทํายังไงแกก็บอกหาเผื่อหากรอยมันไม่ลําบากเลยยายยายยิ่งก็บอกว่ามันเคยเสร็จแล้วนะแล้วลงมานี่อยู่คนเดียวเกิดเจ็บป่วยเป็นยังไงบอกไม่ป่วยหรอก ถึงป่วยก็มันก็เคยเสร็จแล้วไม่มีอะไรทําให้แกทุกได้เลยจ้หน้าที่ชีวิตแกเต็มไปด้วยความลําบากเพราะอะไรเพราะมันเคยเสร็จแล้วเรียกว่ารู้จักเอาประสบการณ์ที่มีคือประสบการณ์ที่ลําบากเนี่ยมาใช้ทําให้มีภูมิต้านทานความทุกข์ความลําบากก็เลยมีความสุขตลอดเวลาทนะั้งที่อยู่คนเดียวชะลามาก นะแล้วก็ไม่มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานของคนสมัยนี้นะแต่ว่าแกก็มีความสุขพ่อแหล่ความสุขมันอยู่ที่ใจและเป็นความสุขที่เกิดจากการที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์อันนี้ก็เป็นภาษีนะหือเป็นข้อได้เปรียบของคนที่มีอายุคือว่าผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนามาเยอะก็ได้เจอประสบการณ์มากมาย มีคนจำนวนมากที่มีประสบการณ์เยอะแต่ว่าไม่รู้จักเอาประสบการณ์มาใช้ก็เรียกว่าขาดทุนหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่สูญเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่มาสอนใจสอนใจเรื่องอะไรสอนใจว่าโลกมันไม่เที่ยงชีวิตมันแปรเปลี่ยนตลอดเวลาความพลาดพาสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดา ประสบการณ์ของคนที่ผ่านลูกมานา น, นียมันจะสอนใจอย่างนี้ได้แลข้ขณะเดียวกันก็ฝึกใจด้วยฝึกใจให้มีความอดทนฝึกใจให้ยอมรับกับความไม่สมหวังได้นะหรือว่าความผันผวนแ ป, ปลกปวนได้แ้คนเราถ้าเกิดว่าอาศัยประสบการณ์ที่มีเนี่ยในการสอนใจ ให้เห็นความจริงของชีวิตแล้วก็ฝึกใจให้มีความอดทนหรือว่าฝึกใจให้มีสติมีความไม่ประมาทก็จะได้ลับได้ว่าสามารถที่จะมีความสุขได้อย่างง่ายซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนชราก็ได้ถึงแม้เป็นคนหนุ่มสาวแต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา20ปี30ปีถ้ารู้จักรู้จักใครครวญ น, นะก็อาจจะมีวุฒิภาวะ ไม่น้อยไปกว่าคนที่มีอายุก็ได้ในทางตรงข้ามคนที่มีอายุผ่านโลกผ่านร้อนผ่านน้าม า, มากแต่ว่าไม่เคยเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเลยไม่ว่าในยามขาขึ้นหรือยามขาลงไม่ว่าในยามฟูหรือยามฟักไม่ว่าในยามสาเร็จหรือว่ายามยามเสื่อมก็เรียกว่าเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าคือไม่มีต้นทุน ที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในการวางจิตวางใจหรือว่าในการที่จะรักษาใจให้มีความสุขได้ยิ่งถ้าเกิดว่าใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยนะในการที่จะศึกษาพัฒนาตนฝึกฝนจิตใจบาเพ็ญภาวนาอย่างพวกเราที่มาเข้าวัดอันนี้เนี่ยก็ยิ่งทำให้เรานะมีโอกาสมากขึ้นในการที่จะ หรือมีความสามารถมากขึ้นในการที่จะรับมือกับไอ้ความผันผวนแปรปรวนในชีวิตได้ซึ่งก็หมายความว่าแม้ว่าอาจจะมีความพัดพลาสูญเสียมีความเจ็บป่วยนะแต่ว่าก็ยังสามารถมีความสุขได้นะเพราะว่าความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะรู้สึกหรือมองมันอย่างไร คนที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแต่ไม่มีความสุขก็ถมเถไปคนที่อยู่ท่ามกลางกองเงินกองทองชีวิตสะดวกสบายทุกอย่างรูปร่างหน้าตาก็สะาสวยความรู้ก็มีนะแต่ว่าเป็นโรคประสาทหรือว่าค่าตัวตายก็มีเยอะทั้งนั้นที่เขาก็ได้พบกับสิ่งดีๆในชีวิตมากมายแต่ว่า ขอมีความไม่พอใจยังอยากได้อีกนะมีเงินก็มากแล้วแต่ก็ยังอยากได้อีกเพราะว่าอะไรเพราะเห็นคนอื่นมีมากกว่ารูปร่างก็สาสวยแต่ก็ไม่มีความสุขเพราะ่าอะไรเพราะเห็นคนอื่นก็สวยกว่าอันเนี้มันมันก็ทำให้ไม่มีความพอใจกับชีวิตของตัวไม่มีความพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมี คนเรถ้ามีความพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีแล้วนะไม่ว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขพราะจะรู้สึกว่าได้น้อยหรือจะรู้สึกว่าขาดรู้สึกว่าพร่องตลอดเวลาแต่คนที่พอใจในสิ่งที่มีนะก็จะรู้สึกว่าร่ํารวยนะเราจะตัดว่าความสันโดษนี้เป็นความร่ํารวยอย่างยิ่งหมายความว่าถ้าเรามีความพอใจในสิ่งที่มีเรายินดีในสิ่งที่ได้ เราก็จะรู้สึกรวยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้สึกพร่องไม่รู้สึกขาดแต่ถ้าไม่มีความสนโดษแล้วก็จะรู้สึกพร่องจะรู้สึกขาดตลอดเวลาซึ่งอันนี้เนี่ยนะถ้าพูดถึงวัยแล้วนี่คนฉลานี่จะมีภาษีดีกว่าพอรู้สึกพอใจในสิ่งที่มีมากขึ้นในค่ะที่คนที่อยู่ในช่วงขาขึ้นเนี่ยเขาได้ล้านก็ยังอยากได้สิบล้านได้สิบล้านก็อยากได้ร้อยล้านนะเพราะว่า ตาเขามองไปข้างหน้าตลอดเวลาไปรอความสุขข้างหน้าแต่ว่าไม่คิดจ ะ, ะสัมผัสหรือเก็บเกี่ยวความสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันอันนี้มันก็ต้องอาศัยการการปฏิบัติธรรมด้วยนะบางทีมันจะเห็นได้เพราะว่าในงานนี้ใจมึงจะไปอยู่กับอนาคตตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยที่จะมีสติหันมาดูว่าสิ่งที่ตัวเองมีนั่นเนี่ยมันมีคุณค่ายอย่างไรบ้าง แล้วก็คำนี้ก็พูดกันทนันีีอ่ะกลับระ